สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความอภพิรมทางปัญญากับรายการพุทธปัญญาพิรมที่ในวันนี้นะคะท่านวรวชิระเมธีจะได้นำสารธรรมดีๆมาร่วมชี้ทางสว่างก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนว่าสิ่งล้ำค่าที่เราไม่ควรมองข้ามไปนั้นคืออะไรเราไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมช่วโมงทองคําหมายความว่าวันเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดวันเวลาไหนก็ตามที่เราได้ใช้กับพ่อของเราแม่ของเราญาติวงศพงศาของเราหรือลูกแก้วเมียขวัญของเรา เราได้ใช้มันอย่างดีที่สุดชนิดที่มันหลับตานื่องติงแล้วเนี่ยอิม่มสําราญบานใจไม่รู้สึกผิดเพราะเราได้ดูแลเขาเหล่านั้นอย่างดีที่สุดวันเวลาเช่นนี้แหละที่เราได้ดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดอัตมภาพเรียกว่าเป็นชั่วโมงทองคำฉะนั้นคําว่าชั่วโ ม, โมงไม่ได้หมายถึงชั่วโมงแต่หมายถึงวันเวลาไหนก็ได้ขณะใ ด, ดก็ได้ที่เราได้ดูแลคนอันเป็นที่รักของเราอย่างดีที่สุดนั่นแหละ ว, วันเวลานั้นคือชั่วโมงทองคํา ในชีวิตจริงของเรานั้นหลายคนโดยทอดทิ้งชั่วโมงทองคำนะไม่ค่อยมีเวลาให้พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้แม่บางคนพ่อป่วยแม่ป่วยเนะี่ยไปลางานหัวหน้าก็ไม่ให้ลาหรือลาได้ก็ลาได้สองวันไปเยี่ยมปุ๊บก็ต้องรีบกลับมาทํางานให้เวลากับงานเต็มที่เลยพอพ่อแม่เสียไปหาเจ้านายเจ้านายบอกว่าคุณลาได้เดือนหนึ่งเลยได้เวลามาเต็มที่แต่พ่อแม่อยู่ไหม ไม่อยู่แล้วนี่คือเราเราได้ทอดทิ้งชั่วโมงทองคำกับคนอันเป็นที่รักเพราะเรามีเวลาเราก็ไม่มีคนที่เราควรจะอยู่ด้วยและหลายคนมักจะต้องมานั่งเสียใจเพราะเรื่องเช่นนี้อยากพาท่านไปกินข้าวอยากพาท่านไปเที่ยวอยากพาท่านไปดูหนังอยากพาท่านไปฟังเพลงอยากพาท่านไปแสวงบุญพวกเราเนี่ยทาตัวเหมือนเหมือนคอหวยอะแม่นทุกทีหลังจากวันหวยออก ใช่ก่อนจะซื้อกันเดาเป็นสารพัดพอมันออกปุ๊บแหมรู้อย่างนี้น ะ, นะพูดอย่างนี้คือไม่รู้หรอกใช่มมีครูมากกว่าห0รอคนขึ้นไปฝึกสมาธิภาวนาที่ไร่เชิญตะวันสองรุ่นรุ่นละประมาณ3 0มรอคนต่อเนื่องกันถึงหวันแล้วที่นั่นเนี่ยทุกๆวันทุกๆครั้งที่เรามีหลักสูตรสมาธิภาวนา ไฮไลท์ของเราหัวใจของเราก็คือว่าวันที่สองของการจัดภาวนานั้นเราจะมีช่วงชั่วโมงทองคําชั่วโมงทองคําก็คือเราจะสอนเรื่องการเจริญมอรณสติภาวนาการระลึกถึงความตายธรรมาภาพมีพระเลยขาอยู่สองรูปเป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่ตอนกลางคืนธรรมาภาพก็พูดเรื่องมอรณสติภาวนาเรื่องให้ดูหลายบุคคลอันเป็นที่รักก่อนที่มันเวลาเช่นนั้นจะได้จะหมดสิ้นลง จำได้วันนั้นอาตมาพ่อพูดว่า tomorrow is today พรุ่งนี้คือวันนี้อาตมาก็เล่าวัดถ้าเราอยากดูแลพ่อดูแลแม่นะต้องดูแลให้ดีที่สดุดอย่าไปรอวันพ่ออย่ไปรอวันแม่เลยขาอาตมาพ่อก็ถามอบบพระอาจารย์วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของโยมพ่อพระอาจารย์นะพระอาจารย์ไม่กลับบ้านเหรอพระอาจารย์บอกว่าไม่กลับเอาทําไมอ่ะอาตมาก็บอกว่าก็เพราะว่าผมได้ทําทุกวันให้เป็นวันพ่ออยู่แล้ว ฉะนั้นจึงไม่ต้องมีพิเศษทุกวันเราดูแลพ่อดูแลแม่เราอย่างดีที่สุดอตาตมาภาพไม่กระตือรือร้นที่จะทําอะไรให้พิเศษหรอกเพราะอะไรเพราะทุกวันน่ะมันพิเศษอยู่แล้วท่านก็มาถามอตาตมาว่าโอ้ดีเนาะผมไม่ค่อยได้ทําอย่างนี้เลยแท่านก็ น, นั่งฟังอตาตมาภาพนะฟังอตาตมาภาพเทศเรื่องการดูแลพ่อดูแลแม่ให้ดีที่สุดพยายามสร้างชั่วโมงทองคําด้วยกันให้เดทที่สุดอย่ารอให้ถึงวันพ่อวันแม่ จงทำทุกวันให้เป็นวันพ่อวันแม่ท่านก็ฟังไปหนึ่งรอบวันรุ่งขึ้นอีกคณะหนึ่งมาเข้าหลักสูตรเดียวกันอัตามาพระเทศอีกครั้งหนึ่งท่านก็นั่งฟังอีกรอบหนึ่งแล้วระหว่างที่นั่งฟังนั้นสามทุ่มแล้วโยมแม่ของท่านโทรศัพท์มาหาร้อยวันพันปีนี้โยมแม่ไม่เคยโทรศัพท์มาหาพระลูกชายเลยนะแล้วโทรมาตอนกลางคืนด้วยโยมแม่ก็คุยโลกเมื่อไหร่จะ มาทานข้าวกับแม่นะช่วงนี้นะมาเยี่ยมจะมาไหมพระลูกชายซึ่งเป็นพระเลขาธรรมข้าวก็บอกว่าแม่ช่วงนี้งานเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดคอร์สแล้วเดี๋ยวลูกจะไปโยแม่ก็บอกว่าอย่าลืมนะแม่เข้ามานะมากินข้าวด้วยกันช่วงนี้ญาติเรามาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพระท่านก็บอกว่าได้โยแม่เดี๋ยวเสร็จงานพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจะมาไป พอธรรมภาพเทศจบปั๊บท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ผมชอบนะ tomorrow is today นะพรุ่งนี้คือวันนี้โอ้โหผมผมชอบเป็นแนวคิดที่ดีนะแล้วท่านก็เข้านอนไปวันรุ่งขึ้นหลังปิดคอสประมาณบ่ายสามท่านกำลังเดินตามมาตรมภาพไปที่ที่ศูนย์หนังสือท่านได้รับโทรศัพท์คนที่อยู่ปลายสายบอกว่าท่านพระครู ทำใจดีๆนะอะไรโยมยมแม่เสียแล้วเอา้าเป็นอะไรยมแม่ไม่ป่วยไม่ใช่หรือใช่ไม่ป่วยหรอกแต่ว่าท่านออกไปดูดูข้าวในนาไปถอนหญ้าในนาข้าวก่อนจะกลับก็ไปล้างเนื้อล้างตัวที่สะแล้วก็ลื่นตกสะลงไปตั้งแต่สี่โมงเย็นนายโยมหกโมงเย็น สามีเห็นผิดสังเกตเลยออกไปตามเจอหมวกลอยอยู่บนน้ำหมวกลอยอยู่ที่ถิวน้ำดำลงไปปรากฏว่าสิ้นใจไปสองชั่วโมงท่านพระครูเดินตามอาตมาอยู่ดีๆท่านเข่าสุดเลยไปไม่เป็นอาตมาก็ตบหลังท่านบอกว่าลูกจำได้ไหมพระอาจารย์เทศเรื่องอะไรครับจำได้ครับ เราต้องดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ต้องวันนี้นี่ผมใช้ไปแค่วันเดียวนะเพราะเมื่อคืนบอกยอมแม่ว่าเสร็จงานแล้วจะไปอีกวันหนึ่งใช้ไปแค่วันเดียวพระยามัจจุราชไม่รอเพราะงานเกะยุ่งแก่เม า, เอายอมแม่ท่านไปเลยเมื่อคืนแตามาภาพเลยปิดส่วนวิปัสนาสากลได้เชิญตะวันยกกันไปเจีรูป บอกท่านว่าตั้งธรรมะห้าธรรมาะเลยคืนนี้เราจะเทศกันห้าธรรมาะให้โยมแม่ท่านอันนี้เป็นอุทาห์หอนที่สะเทือนใจมากแล้วร้อยวันพันปีท่านพระครูนะเป็นเลขาแต่ตำหนัก็งานยุ่งมากหลายครั้งอาตามภาพลงเทศนะท่านก็อยู่ฟังไม่จบหรอกแต่วันนั้นสองวันต่อเรื่องท่านฟังเรื่องเดียวกันคือเรื่องมรณะสติภาวนาการรำรังลึกถึงความตายหรือเรื่องชั่วโมงทองคำ ถ้าอาจารย์เทศกันละหนึ่งชั่วโมงท่านนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบถึงสองรอบและท่านก็พูดอยู่ว่ามันดีมากมันดีมากมันดีมากผมชอบใครจะไปคิดหละ ว, ว่าสิ่งที่ท่านเรียนรู้มามันจะเกิดกับท่านในอีกวันต่อมานั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอธเวะวกิจจะมาตัดปังโกชัญญามารังสุเวควรทาวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะใครเลยจะรู้ว่าความตายอันมาถึงในวันพรุ่ง นี่เป็นคําของพระพุทธองค์ที่เบสเขาก็มีสุภาษิตว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนเราไม่รู้จริงๆนะพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนนะเรามาฟังเทศอยู่ดีๆพอภาคเทศจบกับออกไปเ น, นี่ยรถชนตุ้ม <laughs> ชาติหน้ามาถึงก่อนพรุ่งนี้ <laughs> มันเป็นไปได้ ฉะนั้นเรื่องความตายนี่ประมาทไม่ได้เลยพระพุทธองค์ตรัสว่าเราต้องระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกระลึกทำไมระลึกเพื่อที่จะได้เตือนจิตสกิดใจว่าเรานะมีเวลาไม่มากนักหรอกอย่าประมาทไปพระองค์ทรงเตือนเราไว้ว่าวันเวลาในชีวิตของเราวันนั้นสั้นนะักเวลาและวารีนั้นไหลผ่านแล้วผ่านเลยนิรันด์ไม่มีหวนกลับมาสองครั้ง ไม่มีใครมีวันนี้สองครั้งคุณจะมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านบาทคุณก็ซื้อวันนี้คืนไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องทำวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วคำว่าดีที่สุดคือทำยังไงคำว่าดีที่สุดก็คืออย่าประมาทใน5าฐานะหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวนะที่นั่งอยู่นี่อย่าคิดว่าจะยืนยาวนะอย่าไปคิดเราไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมานะ่ะวันเนี้ย เป็นวันแรกของวันที่เหลือหรือเป็นวันสุดท้ายที่เราใช้มาจนหมดสัมปทานแล้วมีใครรู้ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นบางครั้งญาติโยมมานั้นอาตมานะไปกราบเสร็จแล้วก็บอกพระอาจารย์เจ้าคะโอกาสหน้ายมมาอกีกแต่มาไม่รับนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เคยมีผู้สูงอายุอายุเจ็ดสิบเนะเจ็ดสิบหกคนเป็นเพื่อนเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถม อยู่มาวันหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าก็ประสานงานขึ้นไปเพื่อจะเจออาตมาอีกหกเดือนข้างหน้านะพอหกเดือนมาถึงไปหาอาตมาแค่สามคนตายไปสามเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันจะยืนยาวฉะนั้นคำว่าทำให้ดีที่สุดคืออย่าประมาทในห้าฐานะหนึ่งอย่าประมาทว่าชีวิตจะยืนยาวสองอย่าประมาทในวัยว่าอยังหนุ่มอย่างสาวนะ เห็นหน้าใสากิกอย่าประมาทนะหน้าใสาในอาจจะไม่ใสก็ได้นะใช่ไหมใครจะไปรู้เห็นหน้าใสากิกโอ้โหดูหน้าใสา ย, ยิ่งกว่าพระอีกหารู้ไหมวันนั้นไม่ใช่หน้าสดแต่งโบเข้าไปจนช่มเละเคยมีคู่บ่าวสาวแต่งงานแล้วก็ไปขอพรนันตามาภาพนะแต่มาก็เอาเ อ, เอาย่าคาชุบบาดน้ํามนต์ก็โบโ๊ะน้ำผา น้ำมันไหลผ่าโนเรื่องสําอางหนาเส้นหนึ่งเห็นหน้าสดและช็อกเลยเนี่ยคนทุกวันนี้เห็นหน้าใสๆาเนี่ยบางทีไม่ใช่หน้าจริงฉะนั้นอย่าไปคิดว่ายัางหนุ่มยังสาวจะไม่ตายมันตายได้เหมือนกันนะสามอย่าประมาทในสุขภาพว่าเจยาอยืนว่ายังแข็งแรงเห็นไม่เจ็บไม่ไข้เนะ่ะอย่างแม่ท่านพระครูนะ่ะเลขาธรรมภาพนะไม่เจ็บไม่ไข้เลยนะ หมออสบไปชนสูตรบอกว่าถ้าอยู่ไปตามธรรมชาตินะไม่เกิดอุบัติเหตุจะอายุยืนได้ถึงแปดส็จเพราะไม่มีโรคประจำตัวแต่ชีวิตมันมีเหตุปัจจัยมากมายที่จะทำให้เราแตกดับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอุบมาดังหนึ่งเทียนซึ่งไม่จุดขึ้นมาแล้วอาจจะดับเพราะลมพัดอาจจะดับเพราะคนเป่าอาจจะดับเพราะว่าทั้งไส้แล้วก็เทียนไขนะ่ะมันละลายจนหมด หรือไม่เชนนั้นมันอาจจะหกล้มแดกวิ่งมาชนเห็นไหเหตุปัจจัยที่จะทำให้เทียนหนึ่งเล่มดับมีมากมายแล้วเกินชั้นใดชีวิตของเราก็ชั้นนั้นสีย่ยประมาทในในเวลาว่ายังมีอยู่อยู่มากเวลาเรานั้นจากัดนะเรามีเวลาจากัดและเวลานั้นไม่อาจที่จะยื้อคืนกลับมาได้ไม่อาจรีเซ็คล กวีท่านเขียนไว้ว่าน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงไบร์มาร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพร่าค่าคืนวันจะ ก, กำนันโลกนี้มีงานใดน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงหมายความว่าน้ำที่มันไหลไปมันก็ไม่หวนคืน่ะอายุก็เหมือนกันนะมันไหลแล้วมันก็ไหลเลยอะครั้งหนึ่งธรรมะภาพเคยอายุยี่สิบห้านะแล้วมันเป็นอยู่ครั้งเดียว พอมันไหลลงแล้วตอนนี้กูไม่กลับแล้วทีนี้โอ้โหเห็นไหมเราเคยอยากให้หน้ามันแก่เวลาสื่อไปสัมภาษณ์มันจะได้ดูหน้าเชื่อถือภาวนาให้ตัว อ, อายุถึงสามสิบเร็วๆจะได้ดูหน้าเชื่อถือพอกทีวีทุกวันใช่ไหมอพอมันถึงสาสิบแป๊บเผือบแป๊บเดียวสามสิบห้าพอเลยสามสิบห้าปุ๊บทีนี้เลิกนับไม่นับแล้วมันไปอย่างรวดเร็วจริงๆเห็นไหมนี่คือน้ำน้ําไหลาอายุไก่ก็ไหลลง ใบไม้ร่วงชีพก็รั้งอย่างความฝันใบไม้ที่ปิดจากั้วแล้วมันจะกลับไปต่อไหมคนเราตายแล้วเนี่ยยกศพใส่โงแล้วเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ที่จะฟื้นต่อให้ฟื้นขึ้นมาก็ยากที่จะเหมือนเดิมพูดคนละภาษาแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราจะมานั่งประมาทไม่ได้นะใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืนนะ้ชีวิตเลยนะชีวิต สิ่งเดียวของหายากใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืนเทียนนั้นมันดับตะเกียงมันดับถ้าไส้ยังดีและน้ำมันยังมีใช่ไหมจุดได้ไหมได้แต่ชีวิตนี่มันดับปุ๊บเราไปจุดได้ไหมกระซิบข้างหูอ่ะแม่แม่ตื่นก่อนเนี่ยยังไม่ได้พาไปดูหนังที่แม่ชอบเลยแม่จะลุกไหมแม่เนี่ย ลูกเอาเงินมาให้นะถ้าแม่ฟื้นลูกให้หาล้านเลยนะฟื้นไหยไม่ฟื้นแล้วเห็น ไ, ไหมยรังค่าเวลาคือพระค่าคืนวันคนที่ใช้วันเวลาไปอย่างเปล่าเปลืองน่ก็ก็คือคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากวันและคืนจะได้ไหมจะได้จริงจริงเราควรจะเตือนตัวเองว่าไม่มีวันนี้สองครั้งเราจะได้ใช้ทุกวันด้วยความรอบคอบ รูความระมัดระวังอย่างสูงสุดหนึ่งวันนีที่เรามีอยู่เราไม่รู้นะสมมติเราได้อยู่กับพ่อกับแม่เราเราไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันแรกของวันที่เหลือหรือเป็นวันสุดท้ายพอไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่แทนที่จะพูดดีๆต่อกันทะเลาะกันซะงั้นทะเลาะเสร็จเราขับรถออกจากบ้านดุมเราเสียชีวิตพ่อแม่เสียใจไหมหรือทะเลาะเสร็จพ่อแม่ขับออกจากบ้าน ตุ้มเราเสียใจไหมไม่ว่าใครจากไปคนที่ยังอยู่ก็เสียใจพอกันเพราะฉะนั้นตอนที่เราเยืองอยู่ด้วยกันเราจะต้องพยายามเสมอที่จะไม่ทาให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจะอยู่กับใครพยายามอย่าให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อวานธรรมภาพจำมัดไปแล้วโยมมหาปิดไฟแล้วบอกลูกศิษย์ว่าโอเคปิดรายการแล้ววันนี้รับแขกไปสองพันกว่าคน นะอาจจะมรณนะภาพเร็วๆนี้แล้วตอนกลางคืนก็จะต้องไปเทศงานศพไงออกมาคิดวันนี้ฉันจะเป็นเทศงานศพหรือฉันจะเป็นศพ บ, บอกลูกศิษย์มาพอแล้วนะปิดวัดขึ้นไปส่งน้ํากําลังจะเองกายลงนอนสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องไปเทศงานศพลูกศิษย์วิ่งมาบอกพระอาจารย์มีรถทัวร์ขนาดใหญ่มาอีกสองคันพระอาจารย์ก็ต้องลุกขึ้นมาหอมจีวรแล้วไปนั่งรับ มาถึงปุ๊บทุกคนก็ถ่ายรูปโมถ่ายรูปโมเสร็จอาจารย์ก็แจกหนังสือธรรมะแจกหนังสือธรรมะเสร็จมีใครคนใดก็หนึ่งพระอาจารย์ขอเซ็นอ่ะพอเซ็นหนึ่งคนเซ็นหมดพอเซ็นเรียบร้อยมีคนหนึ่งก่อนจะขึ้นรถพระอาจารย์ขอถ่ายคู่ที่เหลือถ่ายคู่หมดไปงานศพช้าไปชั่วโมงนึ่งเกือบเป็นศพเห็นไหมแต่ อาดามาก็ไม่เคยปฏิเสธใครเลยเหมือนที่คุณดลประรัตนพูดไม่จําเป็นเราจะไม่ทําให้ใครเจ็บเพราะเราเพราะเราไม่รู้คนที่มาหาเราวันนี้เป็นวันแรกหรือเป็นวันสุดท้ายฉะนั้นเราจะดูแลทุกคนให้มันดีที่สุดเพื่อหากมันเป็นวันสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องเสียใจต่อกันแต่หากมันเป็นวันแรกก็ถือว่าเป็นรักแรกพบที่งดงามในความทรชจำใช่ไหมอ้าและห้าเนี่ย อย่าประมาทว่าอย่าประมาทในคุณงามความดีเวลาใครมาชวนคุณงามความดีนะอย่าพูดว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทํานะคนที่พูดอย่างเงี้ยพอมันพลาดไปปุ๊บอยากทํามันได้ทำไหมไม่ทันซะแล้วอยากจะตักบาตรตอนยังแข็งแรงนะ่ะมือไม้แล้วโอ้โหแข็งแรงมากตักข้าวได้ตักข้าวไ ด, ได้ไม่ยอมตักใส่มวัวต่ไปยกเวทตึ๊บอ๊อ๊ พอจะตายขึ้นมานิมนพร์พระไปข้างเตียงประคองมือเมียลูกหมอพยาบาลสี่คนประคองแขนเดียวแล้วสั่นอย่างนี้เอาเข้าวใส่สบาตอาตมานะพอข้าลงจากบาทรวมือกหลุดหลุดจากทัพีทัพีหล่นพื้นพังร้องไห้ผมมันเป็นคนไม่มีบุญอาตมาก็เลยบอกพังรู้เหรอโยม ก้อนปกติทําไมไม่ทําอ่ะแข็งแรงอยู่ทําไมคุณไม่หาพระหาเจ้าแขงขายังดีทําไมไม่เป็นนั่งสมาธิมือยังดีทำไมไม่ไม่ไม่ตักบาตรตักข้าวใส่บาตรเราไม่สนเลยเราไม่แคร์เลยพระจะอยู่จะฉันยังไงเราไม่แคร์แต่พลาดนิดหนึ่งท่าลมเอาตายใช่ไหม พระนี่หนึ่งเนี่ยถล่มกันหน้าดูเลยแต่พอตัวจะตายขึ้นมาวันนี้มราะพระธรรมดาก็ไม่ได้มรณะเอาพระหน้าตาดีๆนั่น <c oughs> เราไม่ไปก็ง้อง้อธรรมดาไม่ได้ก็กระแนะกระแหน่เราพระอาจารย์พ่อผมไม่ได้ตายหลายครั้ง <c oughs> มาเถอะครับเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่ที่ใครมาชวนเราทําคุณงามความดี <c oughs> เราอย่าประมาทนะ อย่าประมาทในความดีงามว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำํำถามวา่าถ้าวันหลังมาไม่ถึงล่ะถ้าวันที่เราคิดจะทํามาไม่ถึงอยากพาพ่อพาแม่ไปกินข้าวเออเอาไว้สิบสองสิงหาแล้วค่อยไปนะแม่เนาะเนะสิบสองสิงหาค่อยไปเพราะวันที่สิบเอ็ดสิงหาแม่จากไปซะก่อนเราไม่ใช่ลูกอากตันยูนะเราก็ตั้งใจเพียงแต่เรารอเงื่อนไขเวลา พอราวันนั้นปุ๊บวันนั้นมาถึงแต่ท่านอยู่ไม่ถึงเสียดายไหมฉะนั้นเราอย่าอย่าไปรอเราควรหาโอกาสสร้างชั่วโมงทองคําให้เยอะที่สุดให้บ่อยที่สุดกับคนอันเป็นที่รักของเราอยู่กับพ่ออยู่กับแม่นะ่ะเวลาทานข้าวกับท่านนะ่ะลองนั่งมองดูหน้าท่านสมัยเด็กแม่จะมาอยู่จะมามองหน้าท่านจดจําภาพ ทุกอยดูมือดูเท้าท่านมาท่านแก่ไปแค่ไหนแล้วเราเคยสังเกตไหมเคยสังเกตพ่อสังเกตแม่เราไหมพ่อแม่เคยนั่งพินิษฐพิจรารณาลูกชายลูกสาวของตัวเองไหมหรือว่าตื่นเช้ามาพ่อก็ไปแม่ก็ไปลูกก็ไปไปอะลูกไปต่างคนต่างรีบตะลีตะเหลือออกมาเพราะเดี๋ยวรถติดลูกพอตอนข้ามปุ๊บ ลูกมาถึงก่อนทําการบ้านแล้วเข้านอนสามทุ่มพ่อกับแม่ตาลีตะเหลือ ก, กลับจากออฟฟิศเปิดประตูลูกหลับล้วสองสามีภรรยาก็ไปอาบน้ำกินข้าวเงียบเงบเข้านอนภรรยานอนและสามีเอาแฟ้มมาตรวจต่อให้เวลากับ ง, งานยิ่งกว่าลูกกว่าเมยเห็นไหม น, นะนี่คือเวลานี่คือสิ่งที่เราทํากับคนที่สําคัญที่สุด แล้วเราคิดว่าพอมีเงินมีทองเยอะๆเดี๋ยวเราจะได้ให้เวลากับพอ่อกับเม่กับลูกพอลูกเมียไปทวงพ่อก็บอกว่าก็ที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อลูกเพื่อเมียนะพอมีเงินเยอะๆลูกและเมียไม่เหลือแล้วใช่ไหมนี่คือมนุษย์ทุกวันนี้เราให้เวลากับคนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดละเอียดละละเอียดอ่อนที่สุดน้อยมากนะจะเราให้เวลากับวัตถุ ให้เวลากับยศทรัพย์อำนาจให้เวลากับหน้าตาให้เวลากับหัวขนให้เวลากับเฟซบุ๊ก <c oughs> ตื่นเช้ามาก็ไลค์กดนะสไลด์ต like. ลอดเวลาเลยทุกวันเนี้ยเมียเรานอนข้างๆนะตื่นมาเนะ่ยเราเคยดูเขาไหมลูกเรานอนห้องถัดไปตื่นมาเคยไปดูไหมสร้างบ้านใหม่นะสร้างห้องพระอย่างดี มาเช่าพระราคาองค์ละแสนเอาไปตั้งไว้เดินผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้าไปทำวัดสวดมนต์เลยพระประธานคอนขวบขว บ, ขวบเอาชั้นมาตั้งแล้วไม่เคยมาไหว้เลยคุณไม่มีเวลาให้ใครทั้งสิ้นนี่คือมนุษย์ทุกวันนี้ทั้งทั้งที่เวลานั้นก็แสนจำกัดแต่แล้วเราก็ยังใช้เวลานั้นอย่างเปล่าเปลืองไม่คุ้มกับเวลาเป็นของนี่มีค่า และดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเราได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปสิ่งที่เราทําได้ก็คือมานั่งรู้สึกเผ็ดรู้สึกเผ็ดรู้สึกผิดแล้วได้อะไรจิตใจก็ย่แย่ๆคนที่ตายแล้วก็ไม่ฟืน้นเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทแล้วทุกๆวันนั้นแหละคือวันสําคัญที่สุดในชีวิตของเราและคือวันสําคัญที่สุด สำหรับเราและทุกๆคนที่เราผ่านพบระวังหนทางของการเป็นคนนี่แหละถ้าเราสร้างทุกวันให้เป็นวันพิเศษถ้าเราทำทุกวันให้เป็นช่วงงงทองคานะปรับเปลี่เป็นอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วเราสบายๆแล้วเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้ววันนี้ธรรมภาพไม่ได้มารูปเดียวธรรมภาพนิ ม, มนต์ลูกเสดชาวสวิตเซอร์แลนด์มาด้วยท่านเป็นพระ ลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์และก็ล้านนาไทยอายุเพิ่งยี่สิบแต่ก่อนจะมาบวชท่านก็ใช้ชีวิตมาแบบคือชีวิตท่านบอกว่าชีวิตเป็นของท่านก็ใช้ซะนะท่านเป็นนักบดนักเบ็ดตัวยงแล้วก็เอารถไปล้มเป็นเรื่องปกติจนพ่อและแม่เบื่อที่จะไปเยียวยารักษา แม่เลยบอกว่าถ้าไปคราวนี้ถ้าตายได้ก็ตายซะเถอะเบื่อกับลูกคนนี้แต่ก็ไม่ตายนะไม่ปรากฏว่าตายสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วท่านก็จู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทําให้พ่อแม่เจ็บปวดมามากแล้วก็เลยบวชในที่สุดก็มาอยู่กับตรรมภาพแล้วก็ได้เรียนธรรมะ อาจารย์้หมอนท่านเล่าให้ยอมฟังชีวิตท่านไปยังไงมายังไงถึงได้มาบวชท่านเคยทำให้พ่อให้แม่เสียใจแค่ไหนและทุกวันนี้พ่อแม่ของท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านมาบวชที่เห็นชุดอย่างนี้เพราะว่าท่านมีความฝันท่านอยากจะเป็นครูบานะท่านบอกอาตมาว่าท่านเห็นครูบาหลายองค์แล้วท่านอยากเป็นอาตมาเลยบอกว่าครูบาเนี่ยมันเป็นเองไม่ได้ต้องให้คนศรัทธาเคารพนับถือ และต้องช่วยเหลือพุทธบริษัทญาติโยมมีประโยชน์มากๆเหมือนครูบาีทีวิชัยถึงจะได้เป็นท่านบอกว่ารอวันนั้นไม่ไหวเอาผ้ามาใส่ก่อนแล้วกัน <laughs> ท่านก็เลยเป็นครูบาบ่มแก๊สไปพังๆ <laughs> เหมือนมะม่วงบ่มแก๊ส <laughs> แต่ท่านมีความสุขมากท่านฉันมือเดียวฉันมือเดียวมาห้าเดือนแล้วไปเดินทุ ด, ดงถึงประเทศลาวไปนอนป่าช้ารองเท้าไม่สวม ท่านบอกว่าต้องฝึกเข้มเพื <laughs> ่อที่จะได้เป็นเรียวครูบาครูบาตัวจริงนิมนต์ท่านเล่าประวัติให้ฟังก่อนว่าก่อนนั้นด้วยกาวว่าเป็นสิงห์นักเบ็ดเคยซิ่งรถขนาดไหนรุนแรงยังไงแล้วเจออุบัติเหตุด้วยจะเจริญพรนะโยมพอดีสมัยก่อนตอนที่เขาบบวชเตีย when I wasn't a monk นะ <laughs> นี่ตูนี่จะชอบแอลกับกรถมอเตอร์ไซค์ตลอดปาท่ขี่ไปขี่มาขี่ไปเจงไหมเวลาจากเจียงฮายมากรุงเทพใจแค่หกสัโมงอืมใจแค่หกสัโมงบิดปาทโทงุดลิทของคาดเร่งฮันก็มันก็ล่มมาบ่อยแล้วกระโลกแล้วแข่งฮักแข่งฮักก็ทะโลกเปอกแปก๊กหมดอ่ะ วันหนึงอะตอนอตอนีแข่งหองฮักตอนตีแข่งฮักนี่มันฮักสองตอนนะได้ค่าวว่าเบ็ดขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพเกือบสามสิบกิโลท่านเบ็ดหกนาที <c oughs> คิดเอาแล้วกันมันเป็นรถอะไร อ, อ, อันนั้นเป็นฮอนด a c ซี3ีพัน้วันนั้นก็ไปกันน่าจะสิบกว่าคนอีกหนึ่งคนนี่มันขี่รถขึ้นไปใจสิบห้านาทีขึ้น วันนั้นน่ะมันไปกินเหล้ามาคืนที่แล้วมันเมาเหล้ามันก็ขึ้นดอยของมันน่ะขึ้นลงสีพันนาที mm hmm. เขาก็ได้รถเครื่องของเพื่อนรถเครื่องของเพื่อนเป็นคันนาคอนดะ้าซีบีพัน3 0 0ร and I wanted to race him นะอยากแข่งกับมันนะ I w a n to win นะอยากช น, นะ <laughs> <laughs> ก็เขาก็เมาสักอย่างตอนนั้นเขาก็ขึ้นเนาะตอนเดียวขี่สองร้อย When I was driving 200, มันจะเป็นโดยสุเทพนี่มันจะเป็นสองเลนเนาะแอร a สามแอร์สามมันจะเป็นสามเส้นเนาะเวลาขึ้นนี่เขาเข้าโค้งพอดีมันเป็นโค้งซ้ายเน a ะโค้งซ้ายนั้นก็มันขีเรวมันก็จะออกออกตลอดนะสองเขานี่ดนืนละ My elbow was already on the road พอมันเร็วเนาะไพนี่ เส้นกลางรถนั่นกับมา ข, ข, าข้าขงขวาเข้าโค้งขวาอีกมันกินเลนเขา When you go left เข้าสายติกต๊กอะ่ะใกล้จุตกรุ่มแล้วนั่นอะ่ะขวาก็เข้าเลนกินเลนของเปิ้ล น, นี่ก็ขับปุ๊ป้ามเลยอะ่ะปาชก ว, <laughs> วันนั้นอะ่ะแม่ตึงถามเขาอะ่ะอยู่นี่ยังมงังงา Why are you so stupid ขีล้เขียงขี้เรวขนาดไหนมันก็ บ, บินบัดชีได้ก็วันนั้นเขาบินแต่ช <laughs> <laughs> นบัมเลยอะเขาหนีในใจเวลาเขาบินเขาคิดในใจเพง I believe I can fly <laughs> <laughs> ต้องตก อ, อีกครั้งหนึ่งรถลอยมันลอยใช่ไหมมันลอยติวติวติวติ ว, ตวแล้วก็ตกเลยตกเลยมันลอยมันกระเดกครั้งแรกมันกระเด้งกุ้มก็รถก็หมุนคนก็หมุน w a how a s sleeping on the road. <laughs> <laughs> Look a t t a i at the side of the mountain. How about h a t Oh, lot t a e f h o u s t g o e e o h e The engine where was on the front wheel. Na. ยุบไปล่อลังเลยอ่ะสองร้ยกิโเมตรต่อชมองน่ะมันแห่งซักมือหึ <c oughs> ่เนาะรถรถยาวสักสองเมตรอะยมพอมันบวกกับปิกอัพรุ่นอีแกสุดๆหลังสงครามโลก <c oughs> สองเมตรเหลือเท่าศอกเดียวอ่ะคิดดูว่ามันแรงขนาดไหนอ่ะแล้วรถราคาตั้งห7เจ็ดแสนอ่ะห้าหกแสนนะพอมันบวกกันปุ๊บเหลือศอกเดียว แล้วเห็นว่าพอตื่นมาเนี่ยขาหักสองท่อนยังไม่สนใจสนใจรถมากกว่าแมแ้แปลว่มันยังบมดช็บเตี Because I still was thinking I'm normal ยังปกติอยู่พอเขาใส่ก๊อกเต็มชุดเลยก็ปุ๊บอยากลุกขึ้นมายาใส่ข้างขวาปุ๊บยกอีกข้างหนึ่งเอะ What happened เกิดอะไรขึ้นนี่มัน <laughs> <laughs> ยืนไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ยืนไม่ได้ <laughs> เออยกขาขึ้นเนาะฮอยีนี่ ปกติขาเขาจะอีนของเขาห้หอยเลยอะไปมาเขาก็มันยังบดเช็ดเตี้ย no pain the adrenaline went inside เนะเขาก็ติดอารมณ์เนาะเขาเอาขาเขยา่านี่เล่นกับขาเพราะมันยังบบเช็ดเตี่ยเขาก็บบเกยหันเตอปกติมันตรงตลอดนี่ขาแล้ยังเขย่าข า, ขาเล่นดิ <laughs> <laughs> เพราะมันไม่เจ็บเออโยมคิดดูแล้วกัน รถกระบะของคนที่เขาจนยุบขนะนักนะหมอหน้านี่แตกถึงเข้ารถเลยอะ่ะพอดีนั้นอะ่ะ e r that, เอออ a m b u l a นซขิมรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินนะหมอนี่ก็มาเดินมาหาเขาหันขาเขาเละจนันกระดูกก็ตั้งออกแนละ้วมันหักสองต้นเนาะมันตั้งออกเลยเนาะ <c oughs> ตั้งออกคือทิ่มออกกระดูกมันทิ่มออกมานอกขาแล้ว <c oughs> หลังจากนี่ยังบอกลาบากเองพอจบเดียเขาก็ซื้นใจอ่าสบายละนั่งรถแอมบูเลนส์แล้ว <laughs> ตั้งนอนสบายไปมาเพรบ้านก็บอกว่าเออหม อ, อ ก, ก็บอกว่าเอเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนาะถึงอยู่ไ <laughs> หนฮะน่ะขับนะขับรถกลับอยู่ภาคเนี่ยมันมีลุมเยอะพอดีก็ <laughs> <laughs> ขับรถก็ตกลุมโอ้ยโอ้ เ <c oughs> ชฟอย่างเก่าอีกบ่ oh, <God. S 1> ได้เหรอ <c oughs> เข้าห้องไอซีมอก์มาพอ่อเออครับ่ดีเนาะเดี๋ยวจะต้องจะต้องฉีดยาผ่าตัดส่เล็กบ่ hmm. ดี น, นนะน่ะเกาะโอ้ยยังบม่จบ hmm. ขามันตั้งออกเนาะเขายังบอกทาให้มันปกติมันก็ตุกอีกข้างหนึ่งเนาะมันกดต้องปั๊บอีกข้างหนึ่งอีกแคลงหนึ่งป่ะ เจ็บแตเจ็บว่า so much pain. ค Force, Force, ุก oh, คุกคุกคุกคุกอยู่ฮัดึงออกใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ปิดอีกเดี๋ยวก็ปิดอีกใส่เข้าไป after that ผ่านแล้วหมอไปแล้วสบายแล้วไม่ม네ีความเจ็บอะไรแล้วล well, ุงก็มาหาเฮาแอมถามเคลนเปนเชเดล่ะหมอซีดาละหอซีดีอายัง โอ้ก็ชีดยาช้ากเขาก็คิดในใจมีแต่นะกรรมานี่เขาปับละ่ะเขาทำตะ ก, กี้นี่เจ็บขนาดปบบนีลุงก็วิ่งเข้าไปพยาบาลก็กลับมาเฮ้ยสมารถลืมชีดยาชา้า <laughs> <laughs> ป้ามันผ่านหมดนะมันยังชีด <laughs> โอ้เจ <laughs> ็บแต่เช็บมา so much pain อีนี่ครับหมอเห็นพวกมันพวกนักซิ่งอ่ะไม่ต้องอะไรมากมามันชอบนักกจัดให้เลยแกเพิ่งมารู้ว่าทำเสร็จทั้งทุกขั้นตอนน่ยไม่ได้เสียใจชาก็โดนละกอเข้าห้องประชิดหลังมันชาขานอะก็ใส่เล็กหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมากอดเซตละอะ ทุกสิ่งทุกอย่างโย่ Yo, แม่ก็มาพ่อก็มามาเยี่ยมแม่ก็บอกว่าอายุนี่คึกก็ลาบก็แม่มาถามว่าเข็ดหรื อ, อยัง <laughs> สำเนียงนั้นเพี้ยนไปได้ไหน <laughs> แม่ถามว่าเนี่ยขาหักสองท่อนเนี่ยเข็ด <Okay. S 2> หรื อ, อยังอะ oh. โดนก็ไปนขนาดนี้เข็ดหรื อ, อยัง oh. และตอบว่าไงอ๋อ oh. โน่ท่านตอบโน่ no. ไม่เข็ดยอะแม่ท่านบอกตอมาว่าเมื่อท่านยังเป็นวัยรุ่นท่านท่านลูกคนนี้ขับรถออกจากบ้านแม่บอกว่าแม่ต้องเอามือกุมมันออกแล้วหัวใจมันจะวายซะให้ได้คนทั้งหมู่บ้านแช่งหมดถ้าเขาเบิ้ลรถนะ <c oughs> ทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเขาก็ภูมิใจมากว่ารถของเขาเวลาเบิ้ลแล้วมันเสียงเพราะมันมองคนละมุมนะ คนเท่าคนแก่มองว่านี่คือเสียงแสบแก้วหูแต่ในมุมของนักบิดเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นเสียงที่เพราะที่สุดในโลกแล้วเวลาเขาขับรถออกไปคนทั้งหมู่บ้านก็จะแช่งว่าขอให้มึงไปตายซะเนี่ยพอพ่อแม่ไปเยี่ยมเน่เขาก็ยังยังไม่สะเทือนใจแต่เหตุการณ์สะเทือนใจที่ทำให้เขาเห็นหัวอกพ่อหัวอกแม่ก็มาถึง เมื่อวันหนึง่งเมือ่อโยมแม่มาดูแลใช่ไหมเล่าให้ฟังพอวันนั้นอ่ะตอนตีแข่งฮักไปในโปรกไม้เลกอาทิตหนึง่งไปเข้าห้องน้ําเนาะไม่เต้าก็ไม้เท้าไหมไม่เต้านะไม้เท้าไม้เต้ากอดบอดี้ใกล้จะหักลนะ <laughs> อะเขาก็ลงมาปุ๊บใกล้จะฮักเขาก็กลเขาก็ต้องอยู่บนเตียงคิดไปคิดมาเอาละเจ เข้าของน้าเฉดนี่นี่พยาบาลแม่ก็บอกว่าเดีเ๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวช่วยพอได้พอได้มันย่างพอได้ยำยำน้ำนักพอได้เตี๋ยเนามันเหยียบไม่ได้เท้าเท้ า, ทามันเหยียบยันไม่ได้แล้วไม้เท้าเนี่ยก็เจียนจะหักอยู่แล้ ว, วแม่ก็โผล่ก็มาประคองลูกแล้วลูกไอใช่ไหมตอนนั้น พ, <อ>พ่พอพ่อมันพยาบาลก็มีแค่บอกว่ามันมีแค่อันนี้กดโซว์เือพอเป็นพอตนะเออเเป็นเป็นเป็นหม้อ ทูเป็นหม้อนะทอเทคกระพู่นะเออคือพยาบาลก็ก็ส่งส่งอุปกรณ์อ่ะให้ท่านอะ่ะถ่ายมันบนเตียงนั่นแหละแต่พยาบาลท่านก็บอกว่าพยาบาลก็ยังวัยรุ่นอยู่ท่าน <laughs> ก็เขินแล้วเขินอีกแล้วพยาบาลเพืยื่นโถ ổ, ให้พยาบาลก็ยืนมอง <laughs> ไม่จะให้ท่านถ่ายยังไงอ่ะ <laughs> ใช่ไหมไปยอมออกเลย ไปยอมออกเลยปัชมพยาบาลถือว่าทำหน้าที่ใช่ไหมแล้วพอพยาบาลไม่หนีทำไงก็เราข้าศึกก็จะมาตอตอนนั้นก็เราก็ตองยะเนาะ I need to take a poo really fast มันจะไล่ออกต่อไปก็ก็ยะไปเซ็ตเนาะ เขาเจเจ็บก็บไ่ได้เพราะขามันหักมันเจ็บขนาดาไปลาน้ำนักวางหันอ่ะแม่ก็บอกว่าชิเจ็บเฮ่อเขบอกว่าต้องเจ็บปะาท้ปาท้แม่ก็มาเจ็บแฮมเจ็บแฮมเขาก็คิดในใจเขา่ายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่เท่าขนาดนี่ยังหื่งแม่เจ็บก้นแฮม <laughs> มันทำให้เขาเครีดเลย <laughs> เครียคือว่า ทำให่ พ, พ่อกับแม่เสียใจขนาดนี้เลยอ่ะแล้วตั้งแต่นั้นก็เริ่มคิดได้แล้วสงสารยอมพ่อยมแม่ใช่ไหมสงสารสงสารอ่าแล้วสงสารยมพ่อยมแม่แล้วตอนเนี้มาบวชปั๊บยมพ่อยมแม่รู้สึกดีหรื อ, อยังกับกับสภาพชีวิตพระแบบนี้โอ้เขาดีใจขนาดพ่อตีเขาบวชมาครั้งแรกก็จะไป <c oughs> ดามแฟนตีเมืองนอก <c oughs> โย่แม่ก็บอกโย่แม่ก็บอกว่าลูก <c oughs> ก, ก, ก่อนจะไปไปเมืองนอกไปออสเตรเลีย you need to be a monk for nine days นะเป็นเจเาเก้าวันเขาบอกว่าออยากยากย่ไปเตนะเนาะคือเป็นคำขอสุดท้ายของแม่ออกโรงพยาบาลแล้วเนี่ยลูกก็จะขอตามแฟนไปต่างประเทศแม่ก็บอกเอางี้ไหนๆถ้าไปคราวนี้ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่านะสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นยกว่าจะมีลูกใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายและลูกครึ่งด้วยไง มันก็เป็นไปได้ยากมากทุกสิ่งทุกอย่างมันยากมากกว่าที่พ่อกับแม่จะพบกันแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเราได้ลูกมาหนึ่งคนแล้วได้มาแต่ตัวแต่สอนไม่ได้แล้วแล้วตอนอยู่ในโรงพยาบาลในลูกก็กำลังเป็นคนดีแบบพลิกเลยอพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บแฟนจะไปนอกมันตามแฟนเด็แม่กับพ่อก็เลยขอเป็นคําขอสุดท้ายลูกบวชสักเก้าวันได้ไหมให้พ่อให้แม่ได้ชื่นใจในใ น, ในชายพระเหลืองหน่อยเถอะ ก็ไปมาเก้าวันพ่อ ก, ก็ บ, บอกว่าลูกอย่าไปซึกเตี๋ยอยู่สักสิบห้าวันพ่อเนี่เห็นว่าบวชเ้าวันเนี่ยมันมันสั้นไปพ่อเลยบอกมากกะซีไปให้บวชสิบห้าวันมันก็เลยอยู่ต่อและระหว่างที่บวชนั้นก็ไม่มีครูบาอาจารย์เลยก็ไปอยู่วัดบ้านนอกซึ่งอย่างที่เราตั้งตอนต้นไงไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษแล้วท่านก็ไม่ยอมบอกใครว่าท่านพูดภาษาล้านนาได้ แต่แล้วต่อมาเมื่ออยู่ที่นั่นไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรทั้งสิ้นมันก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไก่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะนึกจะขันเมื่อไหร่ก็ขันคือไก่เนี่ยจะขันตอนเช้าตรู่ใช่ไหมแต่ไก่ที่เติบโตมาแล้วพัดพ่อพัดแม่เนะี่ยมันจะขันกลางวันมันก็ขันตีหนึ่งมันก็ขันตีสามมันก็ขันสภาพท่านตอนนั้นก็ประมาณนั้นคือไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ต่อมาเมื่อเมื่อโยมแม่พามาฝากอัตมภาพทีนี้เจอครูแล้ว โอ้ปา ร, รีนเก้าสองรูปด็อกเตอร์สี่รูปอาดมาก็เอาให้พระวิปัสสนาจารย์พาไปเลยพาไปอยู่ป่าช้าล้างของเก่าออกหมดแล้วก็เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งมาตอนเนี้ยท่านกลายเป็นนักเทศน์นักสอนเรียบร้อยนะมีองค์กรของทางรัฐบาลมาขอให้ท่านเป็นพรีเซนเตอร์ต้านยาตอนเนี้งานเข้าเห็นไหม ในที่สุดจากพระที่ทําให้พ่อให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจเมื่อคืนท่านไปเทศในเวทีเดียวกับธรรมภาพโยมพ่อท่านซึ่งเป็นฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์ถือกล้องวิดีโอบันทึกเทสลูกชายพระอาจารย์นั่งอยู่บนธรรม์ในที่สูงพระอาจารย์เห็นโยมพ่อท่านบันทึกไปร้องไห้ไปเทศจบโยมแม่มากราบพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เจ้าขาโยมไม่คิดหรอว่าชาตินี้จะได้เห็น เห็ลูกซึ่งครั้งหนึ่งทำให้โยมเนะี่ยหัวใจจะวายเสียให้ได้ทุกค่ำทุกคืนเมื่อเขาบิดรถออกจากบ้านไปโยมได้เห็นว่าคนคนเดียวกันที่ทำให้โยมหัวใจจะวายกลับกลายเป็นคนคนเดียวกันที่ทำให้โยมหัวใจพองโตอย่างมีความสุขนี่คือหัวอกแม่หัวอกพ่อเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยแต่มาก็คิดว่าท่านได้สร้างชั่วโมงทองคาให้โยมพ่อโยมแม่ท่านเห็นไหม ว่าคนเรานั้นนยโยมมันอาจจะผ่านอะไรมามากมายแต่วันหนึ่งถ้ามันตื่นขึ้นมามันพลิกได้จากที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นตัวปัญหาเลยเพราะลูกเกเลตอนนี้ท่านเป็นคนที่ดังที่สุดในหมู่บ้านโยมพ่อโ ย, ยมแม่ตอนนี้แอคอาร์ตอ้เห็น <c oughs> <c oughs> ไหมท่านกลายเป็นอาภิชาติบทรสร้างชั่วโมงทองคำให้พ่อให้แม่ได้สำเร็จ